ผู้ที่เข้ามาร่วมฟังธรรมในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยในทนาที่ผมเป็นผู้ที่ช่วยแจกจ่ายบุญเพราะว่าอะไรเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการทำบุญทำบุญด้วยจิตได้ใจการทำบุญด้วยการฟังธรรมการทำบุญด้วยการแสดงธรรมอันนี้ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันก็รู้สึกยินดีนะ ที่วันนี้ได้มีโอกาสมาที่โรงพยาบาลตะกัวป่าได้มาพบกับญาติธรรมรุ่นเราขคราวเดียวกับคุณน้าคุณอาจะว่าเป็นคุณป้าคุณลุงก็ไม่ได้นะเพราะว่าคุณแม่ผมนี่8ปิบกว่าแล้วก็ได้คุยกับผู้สูงอายุเขาเรียกว่าสอวอสอวอนี่สวยทุกวันยังยังไม่พอ สวยทุกวันอาจจะมีความทุกข์ก็ได้ในความสวยของเราขอเปลี่ยนเป็นสุขทุกวันสวัสดิ์สุขทุกวันการฟังในวันนี้นี่คอยฟังแบบสบายๆผ่อนคลายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดเพราะว่าช่วงบ่ายสองโมงนี่ถ้าเป็นการฟังธรรมะนิพพานก็ลอล่วงหน้าไปแล้วเตรียมตัวที่จะเข้านิพพานไปตามกันไม่เป็นไรนะฟังแล้วก็หลับก็ได้เพราะว่าหลายท่าน น, นอนไม่ค่อยหลับ ถ้าฟังทำแล้วหลับเนี่ยผมจะมีอา น, นิสงส์มากเลยสามารถทำให้เขาหลับได้มีประโยชน์ประสบความสาเร็จในการพูดธรรมะช่วยก่อบให้ผู้ฟังด้หลับได้ผ่อนคลายถ้าหลับแล้วมีความสุขมันก็สมวัยนะสุขทุกวันขณะฟังธรรมะวันนี้เขาก็ให้ผมมาพูดในหัวข้อเรื่องเสริมพลังจิตให้ชีวิตมีคุณค่านพูดครั้งเดียวนะ อีกครั้งอาจจะจำไม่ได้แล้วพูดที่ไหนก็พูดเรื่องเดียวจะเปลี่ยนหัวข้อแล้วกี่หัวข้อผมก็พูดอยู่เรื่องเดียวเรื่องของการฝึกฝนจิตใจให้มันเข้มแข็งให้มีพลังให้อยู่เหนืออำนาจของความทุกข์หรือกิเลสแล้วก็ให้จิตใจเนี่ยมันมีแต่ความสุขแม้ว่าร่างกายอยู่ในสภาพใดก็ตามอันนี้ก็ถือว่าโชคดีทุกครั้งที่ผมได้ไปที่โรงพรยาบาลที่ไหนก็ตาม ผมไม่ได้ไปเปล่าผมไปแต่ละครั้งเนี่ผมสังเกตดูเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนะเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตที่สอนเรื่องศัจธรรมสัจธรรมของชีวิตสอนเรื่องความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งทั่วไปธรรมดานั้นคืออะไรคือสิ่งที่มีการเกิด มีการแก่การเจ็บการตายการพลาดพลาดความสุขความทุกข์รวมอยู่ในโรงพยาบาลทั้งนั้นแต่ว่าเป็นมหาวิไลชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ที่ทํางานอยู่ที่นี่หรือเข้ามาเกี่ยวข้ของกับโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นเจ้าที่หรืออาสาสมัครก็ตามผมว่าเป็นการฉวยโอกาสเป็นโอกาสดีที่ไรามาเรียนรู้สัจจะของชีวิตตรงนี้ สดงธรรมที่ว่าความเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพราคความสุขความทุกข์เนี่ยโดวยเฉพาะความทุกข์เนี่ยคนไม่ค่อยชอบพยายามวิ่งหนีเห็นว่าไม่ไ ม, มีคุณค่าแต่สิ่งที่เรามองเห็นว่าไม่มีคุณค่าเนี่ยมันมีค่ า, ม, คามีคุณซ่อนอยู่ในตัวนั้นอย่างน้อยทำให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาเอาบุคคลที่มีความเป็นธรรมดาของชีวิตจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่ว ย, วยหรือ จะต้องตายไปต้องมีการพลัดพรากเสี ย, ยใจเกิดขึ้นนี่แหละเอามาเป็นครูสอนธรรมะเนี่ยครูสอนธรรมะคือบุคคลที่มาใช้บริการที่ทางนั้นเลยถ้าเรารู้จักเรียนรู้อย่างน้อยทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตใช่ไหมเราเรียนรู้จากครูสอนธรรมะคือความเจ็บไข้เด็จป่วยความตายความพลัดพรากความทุกข์นี่แหละเอามาสําหรับระลึกถึงว่าเราจะไม่ประมาทในชีวิตเขาเป็นอย่างไร เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันอาจจะไม่ถึงเราวันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้หรือไม่แน่ในระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้ายังไม่รู้ว่าจะถึงไหนก่อนกันนะ <c oughs> ไม่แน่นะสองอย่างเนี่ยแล้วเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตจะได้มีการเตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้ถ้าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแก่ตัวเราเราก็ได้ทาใจได้จะได้ไม่ทุบใจ เพรเป็นการเฉลยโอกาสที่จะเรียนรู้ของจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราต้องเตรียมใจเอาไว้นะอย่าบอกว่าเรารู้แล้วเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเรารู้แล้วความพลาดลาดเรารู้แล้วต่ ก, กับเราเนี่ยเราทําใจได้สบายบางคนไม่กลัวตายแต่กลัวแก่เพราะแก่ใครบอกว่าแก่อนี่โอ้ทอแท้บมกกาลังใจตายาเราจะรอดไปเลยไม่ต้องมาแก่ บางคนกลัวเจ็บไม่กลัวตายมันก็มีความกลัวทางนั้นล่ะนี่ถ้าหาว่าเราได้สัมผัส บ, บ่อยๆได้สังเกต บ, บ่อยๆสิ่งไรที่เรากลัวเนี่ยเราเห็น บ, บ่อยๆเราจะเกิดความเคยชินนะเราจะไม่กลัวนะสมมติว่าเรากลัวตุ๊กแกเราลองอยู่กับตุ๊กแก บ, บ่อยๆสิเราจะเคยชินกับตุ๊กแกเราจะไม่กลัวอีกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างความเคยชินให้กับชีวิต เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากดังนั้นเราอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเรารู้และถ้าถึงกับ เ, เราทําใจได้นั่นคือความประมาทเราต้องฝึกถ้าเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวเรื่องธรรมดาของชีวิตเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยรับรองว่าเราต้องมีความทุกข์แน่แต่ถ้าเราเตรียมจิตตรใจไว้ก่อนทุกเต็มร้อยอาจจะเหลือแค่50สทุกแค่ห้าสิบางคนทําใจได้ดีมากอาจจะทุกน้อยเดียว ก็ยังเมื่อวานนี้เรื่องราวสดๆร้อนๆได้คุยกับอดีต ท, ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองท่านก็มาคุยหลังจากที่ผมได้บรรยายที่โรงพยาบาลป่าตองเรียบร้อยแล้วมาพักที่ห้องพักท่านก็มาคุยในฐานะที่ท่านเชิญผมไว้ล่วงหน้าเกือบตั้งเดือนคือท่านจัดมีการฟังธรรมะที่โรงพยาบาลป่าตอง มีการฟังทำท่านรู้ที่เชิญแล้วก็ผู้ที่จัดงานเองเรียบร้อยเลยแต่ว่าถึงวันที่ผมไปพูดเมื่อวานนี้ท่านไม่ได้มาเพรไรทราบไหมว่าท่านต้องไปทาศพของลูกชายลูกชายท่านผู้อุติการท่านไปทําศพจัดงานศพให้ลูกชายเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับมาคุยกับผมทั้งทั้นที่ท่านก็รู้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความพัดพรากเป็นของธรรมดา ท่านก็รู้มาก่อนอันนี้เกิดกับลูกชายของท่านเอง เ, เป็นโรคเกี่ยวเรื่องตับติดเชื้อเนี่ยรักษาไม่ได้ก็ต้องเสียชีวิตไปโดยกระทันหันถ้าก็มาคุยว่าท่านรู้มาก่อนแล้วว่าจะต้องมีการเสียชีวิตแต่พอเกิดขึ้นจริงเนี่ยท่านทําใจไม่ได้มันยากที่จะทําใจเพราะว่าลูกชายเนี่ยกำลังประสบผลสำเร็จในชีวิตเรียนจบแล้วกําลังจะเรียนต่ออายุอย่างน้นอยอายุสิบ จะต้องมาจากไปโดยทันหันท่านก็แบบทำใจได้อยามางช่ไเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าท่านรู้เป็นความรู้ที่เกิดจากสมองเราเปรู้แต่ไม่เป็นความรู้สึกที่จิตใจเข้าไปสัมผัสยังไม่ได้สัมผัสแม้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยแต่ยังไม่มีจิตใจที่ไปสัมผัสสมองเป็นความคิดเป็นความรู้ยังแก้ปัญหาทุกข์ไม่ได้สิ้นเชิง จนกว่าจเจ้าจิตเข้าไปสัมผัสสัมผัสรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราเขาเรียกว่ารู้แจ้ง <c oughs> ถ้ารู้แจ้งแล้วทุกข์ไม่เกิดถ้าเป็นความรู้นี่ก็ยังมีความทุกข์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นได้หรอกท่านผมว่าลูกชายท่านเนี่ยกําลังสอนสัจธรรมลูกชายเป็นครูสอนธรรมกายกับเรานีสอนความเป็นทํามดายกับเราที่เราทํำยังไงล่ะเราก็ต้องปล่อย ต้องปให้สิ่งหลายนี่มันผ่านไปเราไม่สามารถจะมาคับบัญชาได้ในระหว่างนั้นเราก็อย่าไปคุ่นคิดเรามีงานทำํำเราก็ทํางานไปปล่อยจิตปล่อยใจให้อยู่กับงานแต่ <c oughs> ท, ที่จิตมันจะไปคิดใช่ไหม ท, ที่จิตจะไปคิดอารวาลถึงอดีตเอาจิตมาอยู่กับงานซะเพราะจิดอยู่กับงานเนี่ยจิตมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเราจะไปห้ามไม่ให้ใจมันคิดเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนมิตีคิด มาคิดอยู่กับงานเครียดกับงานดีกับเครียดกับคนที่รักจากไปอาศัยให้การเวลาเนี่ยรักษาแผลใจวันคืนผ่านไปเดี๋ยวใจมันก็ค่อยจะปล่อยวางความคิดถึงคิดได้บอกไม่เป็นไรคุณหมอถ้ามันคิดเราก็ใช้การเจริญสติดูจิตที่มันคิดเอารูกว่าเป็นครูกรรมฐ า, านเลยมีสติรู้ทันเมื่อจิตมันคิดเราอาจจะได้ความรู้ มากมาจากการเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งอาจจะเห็นธรรมะตรงนั้นก็ได้นี่บอกว่าคุณหมอความทุกข์แบบนี้เป็นความทุกข์ใหญ่หลวงเรามากต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์มากกว่านี้แนีแล้วนี่แหละคือความทุกข์หนักต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ขนาดนี้แล้วทุกแบบเนี่ยมันเป็นวัคซีนใจ <c oughs> เป็นวัคซีนฉีดไปในใจเนี่ยเป็นภูมิต้านทานความพัดพรากครั้งต่อไปจะไม่ทุกแบบนี้ท่านก็เป็นนักปฏิบัติธรรม อีกไม่ช้าต้องําใจได้แล้วก็เข้าใจในเรื่องความพลาดพลาคุณหมอท่านก็รู้มาก่อนแต่เพียงแค่รู้จํารู้จักยังไม่รู้แจ้งเข้าไปถึงจิตถึงใจว่าความทุกข์ที่เกิดจากความพลาดาดเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อจิตมันมีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราขาดสติเราก็เข้าอยู่ในความทุกข์วนเวียนไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสแต่เข้าไปเป็นไม่ได้รู้แต่เข้าไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าเราฝึกจิตใจไว้เราจะกลายเป็นผู้เห็นผู้เห็นความรู้สึกที่มันคิดถึงหว่วงหาอารมณ์มันจะแยกกันระหว่างจิตผู้เห็นกับอารมณ์ที่ไมาหเห็นอย่างเงี้ยแต่แว่าเห็นแจ้งว่าอารมณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นผู้ดูจิตเป็นผู้ดูอารมณ์ตัวเองทำไมจึงเกิดปัญหาเปิดความรุ่งเร้าจิตใจ เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันไม่มีกำลังจิตออด ก, กำลังไม่มีเรี่ยวแรงเวลาเจออารมณ์รักขมาเราก็หลงรักเวลาเจออารมณ์โกรธเราก็หลงโกรธจิตมันไ้หลงโกรบเลยเวลาเจอสิ่งที่ควรหน้ารุ่มหลงก็หลงไม่กับอารมณ์เลยหลงอารมณ์ปิดอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงจิตเนี่ยเสียศูนย์ไปกับอารมณ์ทั้งหมดเลยใ่ไจิตเสียพลัง นี่ทำยังไงที่จะสร้างพลังจิตการสร้างพลังจิตเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้จิตมันคิดฟุ้งซ่านนะต้องรักษาจิตให้เป็นปกติให้สงบไม่ปล่อยจิตคิดฟุ้งซ่านแล้วจิตจะมีพลังไม่เหมือนกำลังทางร่างกายเห็นหเราออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงมีแรงแต่การออกกาลังจิตเนี่ยไม่ใช่คิดมากๆแล้วจิตจะมีแรง <c ười> คิดมากจิตก็หมดเลื่องหมดแรง อ่อนแรงเสียพลังจิตต้องมีความรู้สึกรักษาตัวเองให้เป็นปกติจิตสงบจะเป็นจิตที่มีพลังจิตสงบเป็นจิตที่ประกอบด้วยสติสมาธินั่นและคือพลังจิตที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองไม่มีใครจะให้พลังจิตเราได้หรอกจิตที่เข้มแข็งจิตมีพลังไม่ใช่ว่าอ่อนไหวไปกับอารมณ์ที่มากระทบ จิตเข้มแข็งมีพลังคือเมื่อเวลามีอารมณ์มากระทบจิตไม่กระเทือนไว้ต่ออารมณ์แต่ไม่หวั่นไหวตามยังสงบนิ่งรู้สึกอยู่ได้เนี่ยก็จิตที่มีพลังเราต้องเริ่มสร้างตัวนี้ก่อนสร้างในวิธีไหนง่ายๆถ้าคนที่มีร่างกายพิการบอกว่าง่ายแล้วก็คนปกติเดินได้มันยิ่งง่ายกวผมนะ <c oughs> มันต้องท้าทาย มันง่ายก็คือเพียงแต่ให้เราเติมความรู้สึกความรู้สึกตัวลงไปที่เนื้อที่ตัวเราซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วในความรู้สึกตัวแต่เราไม่เคยเอามาใช้เป็นประโยชน์เลยเรามแต่ไปรู้ข้างนอกรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้รู้เรื่องคนโน้คนคนนี้มันจิตเสียพลังแต่เรามารู้สึกตัวองตัวเองเนี่ยมันจะมีการสร้างพลังจิตให้มารู้สึกตัวกับตัวเราซึ่งทาที่ไหนก็ได้ อยู่นี่ที่ทำงานก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้นอนอยู่ก็ทำได้ถ้าไม่หลับนะ <c oughs> <c oughs> กำลังเข้าห้องน้าก็ทาได้กำลังเดินเข้าห้องน้าก็ทำได้ <c oughs> เพียงแต่เรารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอย่างตอนนี้ทุกท่านกำลังนั่งและก็กำลังฟังทำความรู้สึกตัวเองว่าเนี่ยเรากำลังนั่งกำลังฟังอยู่นะ <c oughs> นไแค่นี้เรามีพลังจิตละหน่อยหนึ่งเวลาเราเมื่อยเราขยับตัวแล้วก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้เรากำลังขยับตัวเรามีพลังจิตไปแล้วเพราะจิตไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่แค่ความรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เรากําลังทําอะไรเรากําลังกินน้ําลายให้รู้สึกว่ากําลังกืนน้ำลายใช้ได้แนละ้วเราก็ทิพตารู้สึกว่ากับทิพตานี่แหละมีพลังแล้ว เรากำลังเคี้ยวหมากฝรั่งเคี้ยวหมากแล้วรู้สึกเรากำลังอ้าปากหาวรู้สึกว่าปัจจุบันนี้ข้าพระเจ้ากำลังหาวดีสติแล้วมีความรู้สึกแล้วมันจะพอดีเลยใช่ไหมฮะเพราะเวลานี้มันเวลาที่จะต้องเป็นแบบนี้แหละะ <c oughs> <c oughs> เราสามารถเติมความรู้สึกเป็นการเพิ่มพลังจิตได้ทันทีเลยนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยนะเรานั่งตรงนี้นะ จิตล้วก็จะเลื่อนลอยจิตเลื่อนลอยเอาเรื่องสามีมาคิดเอาเรื่องภรรยามาคิดเอาเรื่องงานมาคิดเอาเรื่องหวยมาคิด <c oughs> มันกล้จะออกแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ต้องคิดกันหน่อยนะคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้เรื่องอดีตผ่านไปแล้วหลายปีก็เก็บ เอามาอะไรวานอยู่นั่นแล้วเรื่องอนาคตเตียงมาไม่ถึงก็ไปกังวล <c oughs> เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทุกไม่ค่อยมากเราเอาอาดีตมาทับถมอนาคตมัางมาบีบรับปล่อยทุกข์มันมากขึ้นจะทลายตัวเองนะั้นนะเพราะจิตเราไม่มีพลังนะปล่อยให้เลื่อนลอยไปกับอารมณ์หมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์นะเพราะเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ย จิต ท, ที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนเนี้กำลังฟังเนี่ยทุกไม่เกิดนะเราสบายใจในการฟังปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่สแสวงหาความสุขในง่ายๆแต่ถ้าเผลอคิดตับความกังวลจะเกิดขึ้นทันทีเลยมันสี่โมงเราจรับลูกทันหรือเปล่ามันสารพัคิดอนะ่ะนั่นคืออนาคตนะยังมาไม่ถึงต้องเลิกก่อนสี่โมงแนะ่มันยังมาไม่ถึงเนี่ยให้รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันไว้ นะจิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันประกอบด้วยสมาธิตั้งมัน่นสมาธิตั้งมัน่นเมื่อมีสติมีสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่ฟุ้งซ่านสั่สายไปในอดีตในอนาคตจิตไม่ปรุงแต่งอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเนี่ยมันเป็นความสุขแบบช่วยไม่ได้จิตมันจะมีความสุขอยู่ปัจจุบัน อันนี้คือความสุขง่ายๆจากการทํางานการทําหน้าที่เนี่ยเราก็พยายามเติมความรู้สึกไปกับการใช้ชีวิตอย่างนี้หละชีวิตก็อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นชีวิตใหม่นะ <c oughs> เป็นชีวิตใหม่สําหรับเราอยู่กับการงานหน้าที่อย่างมีสติมันจะเกิดสมาธิแล้วก็มีความสุขถ้าเราว่างงานเนี่ยนะไม่มีอะไรทําเนี่ยจิตมันไม่ว่างนะ พอมือมันว่างไม่มีอะไรทําจิตมันจะวุ่นวายเลยยิ่งต้องอยู่คนเดียวเนี่ยต้องระวังให้ดีนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมันคิดมันกินหัวเราหมดแล้ความคิดถ้ามือมันว่างไม่มีอะไรทําน่ยจิตจะคิดเลยเห็นไหมเคยไหมใครที่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําเนี่ยโอ้มันมันเครียดมากมันเครียดเพราะความว่างเนี่ยแล้วเราจะต้องเจอภาวะอย่างงี้นะบางวันเราอาจจะต้องอยู่บ้านคนเดียวลูกหลานเขาไม่มาดูแล จิตไม่มีงานทำแล้วมันก็คิดเนเมื่อไหร่มันจะมาดูแลมันเห็นเราเป็นยังไงปล่อยเราทิ้งไว้บางวันเราต้องอยู่ที่เตียงคนไข้เพียงคนเดียวบางวันต้องนอนอยู่ท่อง ICU เพียงคนเดียวถ้าเราอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะว้าเหวมากเราจะมีความทุกทุกวันนี้ที่วัฏจัยรเราสบายเพราะเรามีงานทำใช่หหลอกจิตให้มันไปทางาน เราก็เพลินไปอา ง, งานแต่ถ้าวันหนึ่งเราทําไม่ได้คือมาอย่างผมเนี่ยจะทําใจอย่างไรดูกับตัวเองไม่ได้อาศัยทีวี <c oughs> มันก็เบื่อแล้วเบื่ออีกเนี่ยฟังเพลงก็ไม่เพราะสวดมนต์ก็ไม่ชอบชอบคุยถ้าคุยแล้วมันจิตมันผ่อนคลาย <c oughs> ใช่ไหมถ้าต้องอยู่คนเดียวจะทำอย่างไรเนี่ยเราต้องฝึกเอาไว้นะฝึกสติให้มีความรู้ตัวอยู่กับการงานในปัจจุบันซะ เราจะเห็นคุณค่าของตัวเราเองแม่จะมองตัวเองโอ้แกไปแล้วไม่มีอะไรดีแกนัหนสิดีนะบางคนอยู่ไม่ถึงแก่แกที่ดีอยู่ให้มันมีความสุขเราเป็นผู้ที่ผ่านโลกมานานมีประสบการณ์เยอะแม้แต่ข้างหลังจะมากข้างหน้าจตน้อยไม่เกี่ยวหรอกอยู่กับปัจจุบันก็ไว้เราก็หาความสุขได้ในช่วงปัจจุบันนี้ปลกสติเข้าไว้ให้จิตมันเป็นอิสระไม่ปอนแรงไปกับอารมณ์ ถ้าเราไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวเนี่ยถูกอารมณ์ไปกินหมดรักโรคโกรธหลวงวิตกกังวลอิจฉาริษยาหึงหวงจะหนีหวาดระแวงสารพัดอย่างมันรอมจิตร้อมใจเราอยู่ถ้ามีสติรู้สึกตัวกับปัจจุบันสิ่งนั้นมันเข้าไม่ได้มันผ่านมาแล้วมั น, น, นมก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยมันคุลาอันกันเข้าใจไหมจิตกับอารมณ์เนี่ยมันคุลาอันกัน โดยธรรมาชาติของจิตนั้นมันปกติอยู่ก่อนแต่จิตมันเศร้าหมองก็เพราะว่ามีอารมณ์ก็มาปรุงแต่งอารมณ์มาทีหลังปกติเราไม่ได้คิดอะไรอยู่ก่อนนะแต่สักพักเดียวจิตก็จะมีอารมณ์มาปรุงแต่งมาปรุงแต่งแล้วมันก็ผ่านไปอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตกับอารมณ์เนี่ยคนละอันกันเมื่อไงกลับอะไรคลื่นกับทะเล <c oughs> คลื่นกับทะเลก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะ คลื่นกับทะเลคลื่นก็คลื่ น, นทะเลคือทะเลมันไม่ใช่อันเดียวกันเพราะว่างคาั้งทะเลมันก็สงบเหมือนจิตเราะจิตกับอารมณ์ก็คนอันกันบางฮัตจิตก็สงบถ้ามีอารมณ์มาฟุ้งซ่านมาจิตมันก็ไม่สงบคลื่นกับอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกันที่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงไม่มีตัวตนอั้รนั้นแรกคลื่นเวลามันก่อตัวมากลางทะเลนะมันก่อมาเป็นลูกลูกลูลูก แล้วมันก็มากระทบฝังแล้วก็แตกทำลายไปเดี๋ยวมันก็กาอตัวใหม่คลื่นมาเป็นลูกลูกลูกมากระทบฝั่งแตกทำลายไปคลื่นมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็มันไม่มีตัวตวนอยู่จริงหรอกเนี่ยสาาัจธรรมคลื่นอารมณ์ก็เหมือนกันคลื่นอารมณ์นี่มันก็เที่ยงไหมเอสมมติว่าเราโกรธเนี่ยเราเคยโกรธไหมตอนนี้หาย ห, ายหรือยังบางคนบอกไม่หาย เมื่อกี้หายแต่ไปคิดขึ้นมามันก็ไม่หายเลยอารมณ์ปัจจุบันไม่มีโกรธเพราะความโกรธเนี่ยมันเหมือนคลื่นคือก่อตัวขึ้นมาแล้วมันก็แตกทำลายไปอันนี้สัจธรรมนะใครเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะพ้นทุกเลยอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นของชั่วคราวโกรธก็ชั่วคราวรักก็ชั่วคราวในคนคนเดียวเนี่ย เรารักแสนรักแต่ตอนนี้เกลียดแสนเกลียดเห็นไหมความรักก็ชั่วคราวคนนี้เราเกลียดแต่อยู่ด้วยกันนานเนี่ยมันหายเกลียดกลับมารักก็ได้ความโกรธเกลียดโกรธเนี่ยชั่วคราวตรงนั้นเพราะฉะนั้นคลื่นต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นสิ่งชั่วคราวอย่าไปยึดมั่นถือมั่นฝึกที่จะปล่อยวางมันซะนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนร่างกายเราเนี่ย ร่างกายเราที้งแท้แน่นอนไหมนะเมื่อก่อนก็ยามเดินยังเหินหงเดี๋ยวนี้เดินหลังโกงดูหยองหย่อย <c oughs> มันไม่เที่ยง <c oughs> มันไม่แน่นอนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยนะดูแลอยู่กับเขานะนะแล้วความสุขความทุกข์มันเที่ยงไหมเมื่อก่อนก็สุขนั้นะเมื่อกี้เข้ามาก็ผมหมายหม่ยดลยโอ้โหมองหน้าตาคนพิการจะมาไม้ไหนวะ ตั้งนะแต่ตอนนี้ผ่อนคลายความคิดอารมณ์มันก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวเวลาผมเลิกไปเนี่ยอีกอารมณ์หนึ่งโอ้เลิกไปก็ดี <laughs> มันไม่แน่เราไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อถือของมันไม่แน่มันไม่มีตัวตนจริงหรอกเป็นของชั่วคราวไอความจำได้ไหมรู้ไหความจำเนี่ยมันแน่นอนไหมเมื่อก่อนจำได้เดี๋ยวนี้ลืมได้จาได้มันก็ลืมได้ ถอยเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าความจำได้มันไม่แน่นอนมันลืมได้ทั้งนั้นแหละคนขี้ลืมเนี่ยลืมแม่นตาลืมกระเป๋าตังค์ลืมฟันปลอมลืมตะลัพัดแล้วแข่หัวเองเรานมันขี้ลืมจริงเราขี้ลืมจริงมันลืมจริงๆนั้นเวลาจะให้มันจำได้ง่ายเนี่ยถ้าเราฝึกสติเอาไว้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่เป็นคนขี้ลืมใช่ว่าเราจะวางแว่นตา ระวางขณะวางวางก็รู้สึกตัวว่าในกําลังวางนะขณะวางให้รู้สึกวางเสร็จให้รู้สึกว่าวางเรียบร้อยแล้วจิตมันจะบันทึกภาพตรงนี้อาไว้นานๆเวลาเราลืมได้บราจัยอยู่ไหนจิตมันจะสร้างภาพว่าอ๋อมันวางไว้ตรงหลังตู้เย็นใช่มันจะจําได้ขณะวางให้รู้สึกวางเสร็จให้รู้สึกเราจะจำได้อะไรก็ได้ที่คนต้องทําทอย่างนี้ดูสิ ถ้ามันเกิดการลืมขึ้นมาเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าทั้งชีวิตเราจำอะไรทั้งหมดในชีวิตเนี่ยมันจะเครียดนะมันลืมซะบ้างก็ดี <c oughs> <c oughs> คุณแม่ผมเนี่ยเมื่อก่อนท่านจำอะไรไว้มากมายคนนู้นเคยพูดไม่ดีคนนี้คือพูดไม่ดีคนนู้นทาอย่างงงคนนี้นทำอย่างนี้คนนี้ติดนี่ท่าละไม่ใช้นี่ท่านพูดบ่อย ตอนนี้แปดติดไม่เคยพูดถึงเลยแต่ท้าก็สบายเลยไม่คำนึงถึงหน้าคนคนนี้ไม่คำนึงถึงเงินก้อนนี้ไม่ใช่ผมไม่ไดเอามานะของคนอื่นท่านลืมไปเลยนะจนกว่าเราจะบอกท่านจะจำได้แต่เราไม่บอกท่านจะได้ไม่ต้องมายึดติดกับหน้าตาคนนที่ท่านไม่ชอบไม่ยึดติดกับเงินก้อนนี้ที่เขายืมไปแล้วไม่ใช้ท่านสบายใจเลยเห็นไหม เราต้องขอบคุณความลืมในชีวิตที่ลืมซะม่งก็ดีจำหน้าเธอทุกวันน้ำเบื่อมาหลอกหลอน เ, อเวลาหลับ <c oughs> ลืมร่างกายเราก็ต้องทิ้งดูแลเขาแล้วก็อย่าไปยึดมันม่นสิมั่นสุขทุกเรารู้แต่เราก็อย่าไปยึดติด <c oughs> การจำคารลืมมันก็ไม่เลี่ยงแท้แน่นอนเก็ขึ้นตั้งอยู่ตางไปและความคิดต่างๆความคิดนี่แน่นอนไหม คิดรักคิดโกดคิดตัวมีดตกกระวนกระ่างมันแน่นนอนไหมตอนนี้ยังคิดอยู่หรือเปล่าท่านึกก็คิดนะทำไมรู้ไม่ชี้มันก็ไม่คิดมันคิดขึ้นมาคิดได้แต่อย่าไปเชื่อมันคิดได้แต่เราไม่จะเป็นต้องเชื่อความคิดทุกความคิดก็ได้ไอเนี่ยชี้หน้าอะไรความคิดอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกความรู้สึกก็เหมือนกันความรู้สึกเนี่ยเรียกว่าจิตวิญญาณ บางทีเราก็รู้สึกได้บางทีก็หลงลืมได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะให้มีสติรู้ทันอย่างเงี้ยรู้ทันจิตจนใจเราเวลาจิตมันคิดให้รู้แล้วความคิดก็จะดับไปเวลาคิดขึ้นมาอีกให้รู้คิดอะไรก็ได้พอใจไม่พอใจถ้าไม่สติรู้แล้วก็มันก็จะดับไปมันจะแตกสลายไปได้ง่ายมากแม้เราไม่รู้มันก็ต้องดับแต่รู้ดีกว่า ถ้าไม่รู้เราก็เข้าไปคิดปรุงแต่งสารพัดอย่างนอนไม่หลับแต่ถ้าเรารู้มันจะดับไวเห็นคนที่นอนไม่หลับน่มันเป็นโรคเฉพาะตัวอย่าลืมว่าเราต้องรู้จักธรรมดาอย่างหนึง่งคือการนอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมดาคนที่มีอายุมากๆเราไม่เคยใช้พลังงานเราจะหลับแค่สั้นๆมันหลับไม่นานหรอก สามสชั่วโมงก็ตื่นหละมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่าไปกังวลเลยแหมนอนยังไม่สว่างเลยนีย่ตื่นมาทมําไมโอจะนอนถึงสว่างเลยนะตื่นมาสักพักหนึ่งเวลาตื่นแล้วก็อย่าไปพยายามบังคับอยู่บนเตียงอย่าไปงุนงิดลุกออกมาทําอะไรก็ได้เบาๆนะอย่าไปก๊กกั ก, ก, กเสียงดังลูกหลานจะว่าทําอะไรก็ได้สักพักเดี๋ยวมันก็ง่วงแล้วค่อ ไ, ไปนอนใหม่เมื่อมันไม่หลับก็ไม่หลับกันสุกสติ ลมหายใจเข้าก็รู้สึกลมหายใจออกก็รู้สึกหรือนอนพลิกมือเล่นให้รู้สึกฝึกสติปฏิบัติธรรมะไปเลยเอาการนอนไม่หลับให้เป็นประโยชน์ซะอย่าปล่อยให้การนอนไม่หลับเนี่ยเกิดความคิดบีบคั้นจิตใจเราขาดทุนอาศาัยการนอนหลับเนี่ยใช้โอกาสฝึกสติปฏิบัติธรรมไปเลยได้บุญในการนอนไม่หลับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนร้ายเป็นดีปฏิบัติธรรมในขณะนอนไม่หลับ เราอาจจะนอนมามากเพียงพอแล้วตอนกลางวันก็คือมันก็ไม่หลับสิหรือเรากินกาแฟก็คือมันก็ไม่หลับการนอนไม่หลับเกิดจากความคิดของเราเนี่ยคิดปรุงแต่งเพราะความคิดติดมันจริงไม่หลับนั้นแทนที่เราจะไปคิดกลับมาทำกรรมฐานเอามือวางไว้ตรง น, นี้แล้วก็ถูเคาะให้มีสติรู้สึกที่มือกำลังถูนออกเนี่ยหลับตา รู้สึกตรงนี้นะเนี่ยเข้าไว้ที่ใ น, น อ, อกเนี่ยรู้สึกหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำเล่นๆ เ, เป็นๆสบายๆเดี๋ยวมันหลับไม่อยากตื่นนะสบายเลยมีรายหนึ่งเข้ามาปรึกษาแม่บอกเขานี่นอนไม่หลับเลยทําไมก็นนอนไม่หลับก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลองฝึกสติสิชอบทําอะไรชอบบริกรรมพุทโธอลองทูน้ำท่านอนนัน่นนอนนัน่นสบายสบาย หายใจเข้าก็บริกรรมว่าพูดหายใจออกบริกรรมว่าโทรทำเพลินๆ เ, เขาบอกว่ามันไม่หลับไม่หลับไม่เป็นไรเอามือถูเนี่ยนะอกถูแล้วก็เพลินๆรู้สึกสบายๆทําเพื่อจะหลับเขาบอกก็ยังไม่หลับไม่เป็นไรนอนพลิกมือเล่นเขานอนนะพลิกมือเล่นเนี่ยรู้สึกซ้ำเล่นนะ นับหนง่ายความหลับไปเลยตัวนี้หลับสบายเลยเช้าคุณตื่นมาบอกว่าโอ้ไม่ไหวเลยอาจารย์มันหลับนะจะทำยังไงดีให้มันตื่นทันใส่บาตระโ อ, อ, อ้บอกเดี๋ยวถึงเวลาจะเอาระเบิดมาตั้งไว้เพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่หลับเพราะเราคิดมากไม่หลับไม่เป็นไรหรอกฝึกสติเข้าไว้ ให้จิตมันเข้มแข็งถ้าจิตมันเข้มแข็งเนี่ยมันไม่ไปหลงไปคิดไม่หลงไม่ปรุงแต่งอะไรหรอกจิตที่เข้มแข็งคือจิตที่ประกอบด้วยสติสมาธิจิตจะผ่อนคลายและมันก็จะมีความสุขในปัจจุบันใช่ไหมมันต้องสัมผัสรู้แบบนี้ต้องฝึกสติให้เห็นความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เป็นผู้เห็นคิดมันได้เป็นผู้เข้าไปคิด ถ้าเป็นผู้เห็นเนี่ยจิตมันจะอิสระถ้าเข้าไปคิดแล้วก็หมุนวนอยู่กับความคิดทั้งคืนทั้งวันไม่จบถ้าเราเจรติรู้ตัวมากๆมีสติมากๆบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ทันตัวเราเองรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดเป็นเจ้าอารมณ์แต่ไม่ได้เป็นเจ้าอารมณ์นะถ้าเป็นเจ้าอารมณ์เดี๋ยวเป็นนายเหนืออารมณ์ถ้าเป็นเจ้าอารมณ์แล้วก็เป็นทาสเป็นเจ้าอารมณ์จะคิดก็ได้ ไม่คิดก็ได้ใช่สติมันสามารถที่จะควบคุมจิตได้ขนาดหนึ่งเราต้องสัมผัสรู้แบบนี้นะรู้ว่าไอ้ความคิดคิดถึงห่วงหาอวาัยเป็นอย่างนี้เองพอเป็สติรู้สินั้นก็จะดับไปเขาเรียกสัมผัสรู้ถ้าสัมผัสรู้จะรู้แจ้งอ๋ออารมณ์นี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เลยอาจจะบรรลุธรรม นขณะที่เราเป็นคนที่คิดมากก็ได้เพื่ฝึกสติไว้ถ้ามีสติมันก็จะเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเราต้องเข้าใจตัวเองแก้ปัญหาตัวเองก่อนแล้วค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นจิตที่เข้มแข็งใชจะสามารถช่วยตัวเองได้แล้วช่วยคนอื่นได้ด้วยในอย่างพวกเราเนี่ผู้ที่ทําหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นอสมอหรือช่วยเหลือ ดูแลคนป่วยคนไข้คุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถที่ทำตรงนี้ได้เราทำหน้าที่นี้แต่ถ้าเรามีสติมีพลังจิตด้วยการฝึกสติไว้บ่อยๆเราจะมีพลังจิตพลังใจที่จะไปแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นเราจะมีสติช่วยเหลือเขามองเห็นบุคคลที่เราช่วยเหลือเนี่ยเป็นญาติของเราเถ้ามองเห็นเป็นญาติของเราเลยแล้วก็เราจะมีความเมตตากรุณา เอาใจใส่ดูแลเขาดูแลเขาแบบเอาใจใส่จิตใจอ่อนโยนนุ่มละมุน ล, ละไมพูจาไพเราะยิ้มยนันแจ่มใสอารมณ์ดีคนไข้ทําท่าจะตายเขาก็หายป่วยเมื่อเราเอารมณ์ดีท้ท่าจะตายเราหายป่วยเราหายไข้เลยเขาก็สบายใจเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราทําหน้างอร้อนานอึดอัดขี้บนนีลําคัน คนไข้จะหายก็กลับจะตายด้วยกันขึ้นอยู่กับเราช่วยเขาเราต้องอารมณ์ดีสดใสช่วยเขาถ้าเขาสบายใจเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขความสุขทั้งเราและเขาเนี่ยไม่แบ่งแยกกันช่วยใจเราแล้วก็ช่วยเขาได้ด้วยตรงนี้สำคัญมากเราก็ได้ทําประโยชน์จะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคุณค่าที่เราฝึกติดเราเข้มแข็งแล้วแล้วแถมช่วยไปทํายกอื่นด้ว ย, วยจะเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น นี่ยคือพลังตรงนี้แหละเนี่ยจะขอ เ, เล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งคนที่มักจะชอบช่วยคนอื่นดูแลคนอื่นแล้วบางทีก็ติดดีช่วยเขาแล้วช่วยเขาไม่ได้ใจเราก็เป็นทุกข์เนี่ยคือติดดีละยึดมั่นถือมั่นในความดีหรือช่วยเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไม่มาขอบคุณเราเม็นก็ชื่นชมยกย่องเราเลยเหม็นก็ให้อะไรเราเลยอันนี้ก็เป็นทุกข์เพราะติดดี ช่วยแล้วไม่สาเร็จเราก็เป็นทุกข์ช่วยแล้วเขาไม่ขอบใจเราก็เป็นทุกข์แต่ว่าเราเป็นคนที่ติดดีจะมีความทุกข์เพราะความยึดมั่นถึงมั่นว่าเราคือคนดี <c oughs> คนนี้ทุกข์มากเลยนะบางทีช่วยเขาได้แต่ว่าช่วยใจเราไม่ได้ช่วยเขาได้ที่เขาช่วยใจเราไม่ได้มันต้องช่วยใจเขาก่อนมันต้องไม่ทุกข์ไม่เศร้าแล้วก็ไปช่วยเขาเนี่ยมีตัวอย่างเล่าให้ฟังว่า มีพระรูปหนึ่งเพิ่งบวชใหม่ๆบวชพรรษาแรกเลยศึกษาตำราเรียนรู้จากตำราต่างๆโอ้มีความรู้มากพระหนุม่มอายุอยังน้อยอยู่โยมร้องไห้มาปรึกษาพระกุณเจ้าโอ้ปรึกษาแล้วว่าไรพ่อตายไปทำใจไม่ได้พ่อตายไปทำอย่างไรดีพระกุณเจ้าก็ทำหน้าที่ไม่เป็นไรเลโยมความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ความพลาดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อโยมตายไปนะคือธรรมดาอย่าไปเศร้าอย่าไปทุกโยมก็ได้กำลังใจกลับไปบ้านได้สักสองสัมพันได้ข่าวพ่อพระคุณเจ้าตายพระคุณเจ้าทำใจไม่ได้ร้องเสียใจโยมมาปลอบใจโอ้หลวงพี่หลวงพี่ก็บอกไว้แล้วว่าความเกิดแก่เจ็บตายความพลดพลาเป็นเรื่องธรรมดาไงที่พ่อของโยมหลวงพี่ยัง ปลอบใจได้ไม่ให้เสียใจแม่ร้องไห้เวลาพ่อตายแต่ทําไมเวลาพ่อของพระคุณเจ้าตายทําไมพระคุณเจ้าจึงเสียใจเพราะว่างไงไหมก็นั่นมันพ่อของโยมอะอีิตายในพ่ อ, อตามาทาใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจมันหมดกําลังใจหมดกําลังผมก็เช่นเดียวกันนะผู้เองนิดสมัยก่อนเนี่ยเมื่อร่างกายที่พิการใหม่ๆเนี่ยโอ้มีปัญหามาก สุขภาพร่างกายก็ไม่ค ด, ดีทำไมเนี่ยดังกับส่วนนี้บรรทุนไปเนี่ก็ขยับไม่ได้หรอกควบคุมการขับถ่ายไม่ได้การหายใจก็ได้ไม่เต็มร้อยนะหายใจได้แค่ปากไม่ถึงจมูกหรอกพูดไปหายใจไปบางคนที่วิ่งไปพูดไปก็เหนื่อยอุปสรรคของร่างกายนีย่มีมากขับถ่ายเองก็ไม่ได้สมัยก่อนเวลาจะเคลื่อนไหวพลิกตัวนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยสารพัดอุปสรรคต่างๆแต่ว่า ในสภาวะที่อุปสรรคแบบนี้ผมก็ไม่เคยท้อแท้ที่จะอุปสรรคต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องแก้ปัญหาฝึกแก้ปัญหากับชีวิตของเราเนี่ยฝึกใจในการช่วยเหลือตัวเองใจเข้มแข็งในยันที่ร่างกายมันอ่อนแอก็ช่วยเหลือทุกครั้งที่ผมช่วยตัวเองเนี่ยผมจะมีความสุขมากกระตือรือร้นมีความคิดว่าอันนี้เป็นการกระทาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราคือการช่วยเหลือตัวเรา เราปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆเนี่ยมาเป็นครูมาเป็นแบบฝึกเป็นเครื่องท้าทายเราต้องทําให้ได้ถ้าเราทําไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าทําได้เราจะมีความภูมิใจมากก็ช่วยเหลือตัวเองเห็นอุปสรรคมาเป็นสิ่งที่ท้าทายมันก็เก่งในการช่วยตัวเองจิตใจก็เหมือนกันเมื่อร่างกายมันไม่ปกติแต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันเรื่องของความไม่สะดวกเป็นเรื่องของร่างกาย เรื่องความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของจิตใจก็ฝึกเองไม่อย่างนี้แหละอาศัยการมีสติฝึกสติอยู่กับเนื้อกับตัวจิตมันก็ไปไปคิดฟุ้งซ่านมาอยู่กับปัจจุบันสุขในจิตใจมันก็เกิดขึ้นได้พ้าเราไม่ได้ไปผูกพันกับอารมณ์ภายนอกก็ช่วยตัวเองเข้าใจเรื่องของกายอ๋นี่ความพิการปัญหาเป็นเรื่องของกายความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของใจอ๋อแบ่งแยกกันแม้ว่าใจอาจจะคิดฟุงแต่ง นั่นเป็นเรื่องของการปรุงแต่งมันคลื่นเนี่ยมันคลื่นน้ํำคลื่นน้ํากับคลื่นอารมณ์เหมือนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เคยเชื่อความคิดตัวเองแม้มันคิดก็ชี้หน้าว่าไอเนี่ยมันไม่แน่นอนมันไม่แน่มันไม่มีจริงพอเราเห็นมันปั๊บมันก็ดับแตกสลายไปมันคลื่นที่กระตุ้นฟังกระจายความเป็นคลื่นไม่มีอยู่มันก็ตั้งคลื่นลูกใหม่มาคลื่นลูกใหม่มาเหมือนอารมณ์ใหม่คลื่นอารมณ์แล้วก็มีสติรู้ทันมัน รู้ทำมันก็แตกทําลายเมื่อก่อนเราเข้าอยู่ในอารมณ์อยู่ในความคิดแต่พอฝึกสติจิตมีพลังแล้วมันอิสระมันหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะอารมณ์ความคิดตัวเองนะเนี่ยเขาเรียกเป็นเจ้าอารมณ์ไม่ได้เป็นเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์นี่มันขี้ข้าถ้าเป็นเจ้าอารมนี่มันหนึ่อารมณ์สบายเลยจิตเป็นอิสระจากการปรุงแตง่งมันต้องสัมผัสแบบนี้มันจริงไม่เชื่อความคิดตัวเอง แต่ก่อนเคยกังวลว่าถ้าคุณพ่อเสียไปจะทำอย่างไรกังวลล่วงหน้าแต่พอฝึกสติแล้วคุณพ่อเสียไปนี่โอ้ธรรมดาเข้าถึงความเป็นธรรมดาอย่าว่าแต่คุณพ่อจะเสียอะไรต่อไปคุณแม่ก็เสียต่อไปเราเองก็ต้องตายโอ้มันธรรมดามองเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาจิตอิสระเอาปัญหาต่างๆเนี่ยมาเป็นสิ่งท้าทายปัญหาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องกลุ้มอกกลุ้มใจ ปัญหาฝึกให้เราแก้ไขอุปสรรคต่างๆเป็นเครื่องท้าทายความสามารถเราก็ฉลาด <c oughs> เข้าใจปัญหาฉลาดในการแก้ปัญหาตัวเองสนุกในการแก้ปัญหาตัวเองไอ้สิ่งที่มันขัดใจเราเน่ยมันสนุกมันเกิดการท้าทายมันจะขัดใจเราแมันขัดกิเลสเรากันแน่ใจเรามันอยากทําตามใจทําตามกิเลสแต่เราไม่ทําตามมันมันช่วยขัดกิเลสเรา ชานาญนะฉลาดในความคิดตัวเองมันก็สบายบางทีเราอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจใครบ้างเพราะว่าคนที่ต้องอาศัยคนอื่นดูแลช่วยเหลือเนี่ยบางทีมันก็หน้าเบื่อสำหรับคนอื่นเขาเขาก็เบื่อพอไม่ได้ยินใจเราบางทีเราทำอะไรช้าๆไม่ทันใจเขาไม่ทันใจเขาบางทีเขาก็ไม่ค่อยพอใจอาจจะตําหนิดูด่ า, าว่ากล่าวว่าเขาไม่เป็นไรในโลกเนี่ย คนที่ชอบเราก็มีคนที่ชังเราก็มีคนที่เฉยก็มีใช่ไหมมันถูกงเขาไหมมันถูกงเขาเราก็มีสติรู้ไว้รักษาใจเป็นปกติใครชอบเรามันก็ถูกเขาใครชังเราก็ถูกเขาใครเฉยเฉยก็ถูกเขาเราไม่ต้องไปบุ่นวายกับใจเขาถือคติใช่ว่าใครชังใครชอบเราเฉยใครเชิดใครชูช่างเขา ใครเบือ่อใครบนทนเอาใจเราเย็นไว้ส บ, บายเออสบายเลยแล้วนี่คือสร้างพลังใจกับตัวเองแก้ปัญหาใจตัวเองได้แม้ร่างกายยังมีปัญหาอยู่แต่ใจไม่มีปัญหาเห็นไหมแต่แล้วเราก็ต้องมันมีความสึกว่าเรามีพลังจิตพอสมควรแล้แก้ปัญหาตัวเองได้ก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยทําให้เราเนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ช่วยเหลือตัวเรเองได้มันก็มีคุณค่าอยู่แล้วแต่ถ้าช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยมันมีคุณค่าไม่ได้ช่วยไปแบบไปหามเขาช่วยให้แง่คิดให้กำลังใจให้ความรู้สึกดีๆก็จะมีคนมาปรึกษามาพูดมาคุยคนที่มีความสุขไม่ค่อยมีมาหาผมหรอกคนที่มามีปัญหาทั้งนั้น <c oughs> มาพูดมาคุยมาแสดงความคิดต่างๆให้เราช่วยแก้ปัญหาบางทีปัญหาเราแก้เขาไม่ได้หรอก ไม่เป็นปัญหาส่วนตัวเขาบางที ป, ปัญหาโลกแตกเราก็ให้กําลังใจเขาก็สบายใจในท่ามกลางที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ได้เห็นไหมเราก็ทําหน้าที่อย่างเงี้ยเรื่องบางอย่างเวลาเขามาพูดคุยเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ในใจเราถือว่าปัญหาเป็นเรื่องของเขาความแม่ทุกขเป็นเรื่องของเรางานหน้าที่คือเรื่องของงานหน้าที่มีปัญหาแก้ไขไปแต่ไม่ใช่เรื่องของใจเราที่ต้องเป็นทุกข์ด้วยทําหน้าที่รักษาใจไม่ต้องเป็นทุกข์ ช่วยเหลือก็ได้เราก็มีคุณค่าคุณภาพชีวิตเราก็ดีขึ้นจิตใ จ, จมันก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นยิ่งช่วยใจเราก็ยิ่งดีเนี่ยอันนี้คือช่วยก็ได้ผมทําหน้าที่อย่ไม่เหมือนกับคนทุกคน ท, ที่ที่เนี่ยบางท่านทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นผมก็เช่นเดียวกันช่วยลดความทุกข์ให้กับผู้อื่นได้ช่วยลดความดุร้ายแต่ว่าทําหน้าที่แบบไม่ต้องการอะไรนะทําด้วยใจกับร่างกายส่วนที่เหลืออย่างนี้ย ไม่ต้องการอะไรไม่คาดหวังอะไรทำประโยชน์เพราะมันคือประโยชน์แต่ไม่หวังในผลประโยชน์เราจะทำงานให้มีความสุขต้องทำหน้าที่แบบไม่คาดหวังอะไรใจจะเป็นสุขถ้าเราทำหน้าที่ไปแล้วเราไปคิดว่ามันจะต้องได้อะไรบ้างได้สิ่งตอบแทนเยวางนนีก็คำว่าขอบคุณไปรอแบบนั้นน่ะใจมันจะเป็นทุกข์ ทำงานทำหน้าที่ดีแล้วแต่ไปคาดหวังใจจะเป็นทุกข์แต่ถ้าทำหน้าที่แบบไม่คาดหวังทำเหตุให้ถูกต้องไม่ต้องหวังผลหรอกผลก็จะปรากฏขึ้นเองเหตุที่ถูกต้องแล้วก็มากเพียงพอไม่ต้องหวังในผลผลก็ต้องเกิดขึ้นเองทั้งนั้นเรื่องธรรมดาไปหวังผลใ้จิตเราเสียศูนย์ทไมสร้างเหตุให้ถูกต้องเถอะแล้วมันก็สบายใจนะ ทำเหตุแบบไม่ต้องหวังผลใจมันก็สบายดีนะพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าเรารักษาคนอื่นเท่ากับรักษาตัวเราเองเราช่วยแล้วคนอื่นพอเขามีความสุขเราก็พลอยมีความสุขด้วยได้ความรู้อะไรมากมายจากการที่ช่วยแล้วคนอื่นเอาอุะสบการณ์เราไปแบ่งปันให้คนอื่นเวลาคนอื่นมีปัญหาเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเขาเอามาใช้แก้กปัญหากับคนที่มีปัญหาแบบเดียวกันมันก็เป็นประโยชน์ ก็ดูว่าเออเรานี่มันก็จะพอจะมีคุณค่าอยู่เนาะคุณค่าความหมายของชีวิตนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวเองให้มีประโยชน์แค่ไหนแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเราจะกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามันจะมีความสุขตรงเนี้ยช่วยแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นได้มันก็มีความสุขก็สายหลักธรรมที่ว่าอาศัยศรัทธา อาศัยความเพียรความอดทนสติสมาธิปัญญาสร้างพลังจิตให้ชีวิตมีคุณค่า